จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันแรง8ปดข้างเดือน11ตรงกับวันจันทร์ที่12บตุลาคมพุทธศักราช5 5งสอง เป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรมวันที่พระบรมศาสดาพระอรหันตะสัมมาสาัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบ ร, ริษัททั้งหลายได้ปล่อยวางธารกิจการงานต่างๆเพื่อมามำเพญ มาปฏิบัติมาเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเดินดำเนินไปและทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทดำเนินตามทางนี้เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง เป็นทางที่ไม่ยากจนเกินไปและไม่ง่ายจนเกินไปที่ว่าไม่ยากก็หมายถึงว่าไม่สูงวิสัยของพุทธบริษัทที่จะปฏิบัติตามได้แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากเหมือนกับไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะต้องปฏิบัติถ้าปรารถนาการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะพาสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปถึงพระนิพพานได้ ไปถึงที่ไม่มีความทุกข์ได้ดังที่พระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้นำเดินไปถึงแล้วแล้วก็ได้นำเอามาสัมสอนแก่สัโลกอย่างพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ที่ไม่มีหยุดยัง้งไม่มีสิ้นสุดนี่คืองานที่พวกเราควรจะกระทำกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะมาบำเพ็ญกันสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระวันธรรมสวนะไว้เพื่อพวกเรานั่นเองถ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ พวกเราก็จะถูกอำนาจกิเลสตัณหาโมหะวิชาหลอกล่อให้เราไปแสวงหาความทุกข์ในรูปแบบของความสุขต่างๆความทุกข์ที่เป็นรูปแบบของความสุขนี้คืออะไรบ้างก็คือลาบยนสารเสริญกามาสุข คือสุขทางตารู้จมุกลื่นกายเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเป็นเหมือนเหยื่อที่จะร่อให้ปลานั้นไปตะคุ้มเบ็ดถ้าเราได้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะมีธรรมะ คอยสอนใจคอยเตือนใจไม่ให้เรารุ่นหลงกับลาบลุกสารเสริญสุดมากจนเกินไปเพราะมันไม่ได้พาให้เราห่างไกลจากกองทุกห่างไกลจากการเยียนไหวตายเกิดแต่จะฉุดรากเราให้เข้าใกล้กองทุกมากขึ้นใกล้การเยียนไหวตายเกิดมากขึ้น นี่คือทางที่พระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราดำเนินเพราะเป็นทางที่พาให้เราออกจากกองทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทางนี้เรียกว่ามรนมีองค์ประกอบอยู่8องค์ด้วยกันเราจึงเรียกว่ามรรคแปดหรือมชิมาปฏิปาทาทางปฏิบัต ที่เป็นกลางเป็นทางสายกลางที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้มรรคที่มีองค์แปดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปโปความคิดหรือความดำริชอบ 3. สัมมากรรมโตการกระทำชอบสีสัมมาวาจา ก, การการพูดหรือวาจาชอบห้าสัมมาอาชิวอาชีพชอบหรือสัมมาอาชีหกสัมมาวายาโม ความเพียงชอบ 7. สัมมาสติการละลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือมรรคที่มีองค์แปดหรือหน้าที่แปดประการของสาธุชนพุทธบริษัทที่ควรจะเจริญ ให้มีในจิตในใจในกายในวาจาของตนเบื้องต้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนผู้นำทางความเห็นนี่เป็นตัวนำทางนำความคิดนำการกระทำนำการพูดต่างๆ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนั้นก็จะคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นเช่นถ้าเห็นว่าการทำบุญนี้มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจก็จะคิดแต่จะทำบุญเวลาทำอะไรทางกายก็จะทาทำเป็นบุญไปหมด เวลาพูดก็จะพูดเป็นบุญไปหมดอย่างนี้เป็นต้นถ้าคิดไปในทางบาปเช่นเห็นว่าการทําบาปนี้ดีสนุกดีได้กําไรได้เงินได้ทองได้ทําอะไรตามใจชอบก็จะคิดแต่จะทําบาปแล้วก็จะไปทาบาปทางกายทางวาจาต่อไป ดังนั้นเราต้องมีผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีต้องเป็นคนตาดีอย่าเอาผู้นำที่เป็นคนตาบอดเพราะเขาจะไม่เห็นทางเขาจะไม่รู้ทางต้องเอาคนตาดีคนตาดีหรือสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าคืออะไรคือความเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงถ้าเรามีามาเห็นอย่างนี้แล้วความคิดของเราก็จะเป็นไปตามความเห็นทันทีเราก็จะทำบุญ เพราะเราอยากจะไปสวรรค์เราอยากจะได้มรรคผลนิพพานเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราจะละเว้นจากการเราจะคิดละเว้นจากการทำบาปเพราะการกระทำบาปจะพาให้เราไปตกนรกไปเกิดในอบายนี่ก็คือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือมีความเห็นที่ถูกต้อง แล้วก็จะมีสัมมาสังกโป้หรือสัมมาสังกัปกปะความยำริความคิดชอบอย่างยากโยงที่มาวัดกันในวันนี้พ่อมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าที่สอนว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนั้นเป็นความจริงก็เลย คิดที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือคิดทำบุญคิดละบา ค, คิดกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ mm hmm. เมื่อมีความคิดแล้ว mm hmm. ก็มีการกระทาตามมาเดินทางมาวัดก่อนจะมาวัดก็ไปซื้อกับข้าวกับปลาข้าวปลาอาหาร เครื่องใช้ไม่สอยที่จาเป็นต่อสัมมาหลาลโคแล้วก็ออกเดินทางมาวัดชวนเพื่อนฝูงมาทำบุญก็เป็นสัมมากรมตะหรือสัมมากลัมโตการกระทาที่ชอบที่ถูกต้องและวาจาที่ถูกต้องเป็นการพูดที่ดีการชวนให้คนอื่นไปทำบุญนี้เป็นการพูดที่ดี ตามกับการชวนให้คนอื่นไปทำบาไปเที่ยวไปเล่นไปเสพสุรายามาไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกต่างๆนี่ก็คือสัมมาทิฏฐิตามมาด้วยสัมมาสังกัปปะพอมีความคิดที่ดีแล้วก็จะมีมีพอมีความเห็นที่ดีแล้วก็จะมีความคิดที่ดี พอามีความคิดที่ดีก็จะมีการกระทาที่ดีอย่างวันนี้ก็ได้มาสมาทานศีลห้านี่ก็เป็นความคิดที่ดีคือตั้งใจจะรักษาศีลห้าขอ้อถ้ารักษาได้ก็เป็นการกระทาที่ดีและเป็นการพูดที่ดีการกระทาที่ดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีส่วนการพูดที่ดีก็คือการไม่พูดปดมดเทจและตามไปด้วยการไม่พูดคำหยาบคำพรุพสว่าไม่พูดเพอเจอร์ไรสาระนินทากาเลไม่พูดส่อเสียไม่พูด ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกความสามีคีอย่างนี้เรียกว่าสัมมาวาจาแล้วก็สัมมาอาชีวะก็คือการมีอาชีพเลี้ยงชีวิตที่ไม่ไปเบียดเบียนไปสร้างความทุกข์หรือไปทำลายชีวิตของผู้อื่น เช่นละเว้นจากการค้าขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานเช่นไม่ค้าอาวุธพวกปืนถาหน้าไม้ละเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะจะนำไปสู่การทำร้ายทำลายชีวิตของผู้อื่นไม่ขายพวกยาพิษต่างๆสารพิษต่างๆ ไม่ขายพวกสุรายาเหน่สุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดต่างๆเพราะจะทำให้ผู้เสพนั้นขาดสติแล้วก็จะไปทำบาปมากกว่าทำบุญไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่คือสัมมาชีพ อย่าไปทำอาชีพที่ไปเบียดเบียนไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นทำอาชีพที่เป็นทุนเป็นประโยชน์เช่นขายอาหารตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างบ้านสร้างเรือนรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยผลิตยาต่างๆที่นำมารักษาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ เรียกว่าเป็นสัมมาชีเมื่อเรามีสัมมาชีพแล้วเราก็จะมีสัมมาวายาโมหรือความเพียรที่ชอบตามมาความเพียรที่ชอบก็คือความขยันหมั่นเพียรทำงานที่มีอาชีพที่สุดจริตนั่นเองแล้วก็ มีความขยันหมั่นเพียรลดละหรือละเว้นจากการทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องถ้าเคยค้าขายสุรายาเมาเปิดบาร์เปิดผับอย่างนี้ก็ปิดเสียเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปขายอาหารแทนถึงแม้ว่าจะซ่องซื้อเนื้อสัตว์มาขาย ถ้าเนื้อสัตว์ที่ซื้อมานี้ตายแล้วและไม่ได้ตายจากคาสั่งของเราอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปไม่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ถ้าเราไปสั่งเขาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าพรุ่งนี้จะเอาไก่กี่ตัวเอาหมูกี่โลอย่างนี้ถึงจะถือว่าเป็นบาปต้องไม่ไปสั่งเขา ไม่ทำเองและไม่สั่งให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อที่เราจะได้เอาเนื้อสัตว์นี้มาปรุงเป็นอาหารเพื่อจำหน่ายขายแต่ผู้อื่นต่อไปนี่คืออาชีพที่นี่คือความเพียรชอบเตียยพยายามทำความดีถ้ามีอาชีพที่ดีแล้วก็พยายามรักษาอาชีพนี้ไว้อย่าไปเปลี่ยนอาชีพ มีคนหนึ่งเขาเป็นหมอซึ่งมีอาชีพที่ดีแล้วแต่เขาโลภอยากจะได้มากเงินมากขึ้นเขาก็ไปทำฟาร์มไก่เพื่อที่จะเอาไก่มาเลี้ยงแล้วก็ขายให้เขาเอาไปค่าอย่างนี้ไม่ควรจะทำเป็นหมอก็ดีอยู่แล้วเงินทองที่ได้จากการเป็นหมอก็มีพอเพียงต่อการดำรงชีพ อย่าให้ความโลภอยากได้เงินมากๆมันมาฉุดลากให้เราไปทำอาชีพที่ไม่ชอบไปทำบาปทำกรรมนี่คือเพียงทำความดีเพียงรักษาความดีแล้วก็เพียงสร้างความดีที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นเช่นเราทำมาหากินมีเงินมีทองมากมายเกินความจำเป็น ก็อย่าหวงอย่าตนีกับเงินทองที่มีเหลือเฟือนี้ให้เอาไปแจกจา่ายเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่เขามีน้อยกว่าเราหรือผู้ที่เขาเดือดร้อนเอาไปสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้น<ม>คือการสร้างบุญที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นบุญที่มีก็ให้รักษาไว้ แล้วก็ให้ละมาที่เรากำลังทำอยู่หรืออาชีพที่ไม่ชอบเสียถ้าเราทำอาชีพค้าขายสิ่งที่มีชีวิตพวกหม oh ูเห็ดเป็ดไก่ก็ให้เปลี่ยนอาชีพถ้าเราเปลี่ยนได้ถ้าเรายังเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องตั้งใจไว้ตั้งสติไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เปลี่ยนได้แล้วจะเปลี่ยนอาชีพทันที จะไม่อยากทำบาป ท, ทำกรรมเพราะไม่อยากจะไปเกิดในอบายไม่อยากจะไปตกนรกอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปพระนิพพาน<ม>ก็ต้องพยายามละอาชีพที่ไม่ชอบเสียแล้วก็เพียรป้องกันไม่ให้ไปทำอาชีพที่ไม่ชอบถ้าเราเลิกทำได้แล้วเลิกขายสุราได้แล้ว เลิกขายยาพิษได้แล้วเลิกขายอาวุธได้แล้วหรือเลิกทำบาปได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกพยายามหัดห้านจิตใจไม่ว่าจะมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรก็ขอยอมอดอยากดีกว่าขอตายดีกว่าที่จะไปมีทรอาชีพที่ไม่ชอบที่จะต้องไปทำบาปทำกรรม นี่คือความเขียนชอบเรียกว่าสัมมาวายามะข้อที่7ก็คือสัมมาสติการระลึกชอบหมายถึงการให้รู้อยู่กับกายก็ดีอยู่กับใจก็ดีให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเวลาเราทำอะไรให้มีสติอยู่กับการกระทำของเรา เวลาเราคิดอะไรก็ให้มีสติรู้ว่ากําลังคิดอะไรถ้าทําหรือพูดหรือคิดที่ไม่ถูกต้องเช่นคิดทําบาปแล้วก็พูดคำหยาบแล้วก็ไปทําฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขณะที่ทําถ้ามีสติหรือก่อนจะทําจะรู้ทันทีว่ากําลังทําบาป ก็จะได้นดได้จะได้หยุดเลี่ยงได้จะได้หยุดได้ถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่รู้สึกตัวทําไปโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นเราต้องมีสติคอยดูกายวาจาใจของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาใจของเราโลภ ก, ก็ต้องรู้ว่าเรากำลังโลภแล้วยางตัดความโลภให้ได้เวลาโกรธ ก็ต้องรู้ว่ากำลังโกรธแล้วก็ต้องตัดความโกรธให้ได้การรู้เฉยๆนี้มันตัดความโลภได้เดียวๆตัดความโกรธได้เดียวๆพอเผลอมันก็จะกลับมาโลภ ก, กลับมาโกรธใหม่เพราะความโลภความโกรธนี้มันเกิดจากความหลงถ้าอยากจะกำจัดความโลภความโกรธอย่างถาวรการมีสติรู้ จิตอย่างเดียวนี้ดูจิตอย่างเดียวนี้จะไม่สามารถตัดความโลภความโกรธได้อย่างถาวรจะต้องใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปโมากรมจัตจะต้องใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนว่าความโลภนี้เป็นภัยต่อจิตใจความโกรธนี้เป็นภัยต่อจิตใจและสิ่งที่อยากได้ก็ไม่เป็น ประโยชน์แก่จิตใจเป็นโทษกับจิตใจไม่ว่าจะอยากได้ล่าหรือยศหรือสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ให้ความสุขกับใจอย่างแท้จริงเพราะจะให้ความทุกข์ตามมาและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขที่ได้รับอย่างพวกเราที่ทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ ก็ทุกข์กับเพเรื่องเหล่านี้นี่แหละทุกข์กับเรื่องเงินทองทอุกข์กับเรื่องตําแหน่งต่างๆทุกข์กับทางสรรเสริญนินทาทุกข์กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแต่ความหลงมันจะปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์เหล่านี้เวลาเราเห็นอะไรอยากได้ก็คิดว่าสวยงามมี ให้ความสุขกับเราแต่ไม่รู้ว่าเราต้องเหน็ดเหนื่อยต่อการหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งที่เราอยากได้และพอได้มาแล้วไม่นานเราก็เบื่อแล้วไม่สนใจแล้วอยากจะได้ของใหม่อีกของเก่าก็หวงและเวลาของเก่าหายไปก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมานี่เป็นสิ่งที่เราไม่เห็น เราจึงยังโลภอยู่แล้วเมื่อเราโลภแล้วไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธเช่นเราขอแม่ขอเงินแม่ไปซื้อของไปเที่ยวแล้วแม่บอกไม่จําเป็นอย่าอย่าใช้เลยอย่าไปซื้อเลยเก็บเงินไว้ซื้อของจําเป็นดีกว่าเราก็จะโกรธแม่ ท, ทันทีความโกรธนี้มันเป็นผลที่เกิดจากความโลภ ถ้าไม่มีความโลภแล้วรับรองได้ว่าไม่มีความโกรธแต่เราไม่อยากได้อะไรเราจะไปโกรธอะไรเราจะไปโกรธใครความอยากได้สิ่งต่างๆนี้เองที่ทําให้เราโกรธเช่นเวลาคนดินทาหรือด่าเราเราก็โกรธเพราะเราอยากให้เขาสรรเสริญเราหรือเราไม่อยากให้เขานินทาหรือด่าเรานั่นเองความไม่อยากนี่ก็เป็นความอยากอีกแบบ ความอยากก็เป็นความอยากความไม่อยากให้เขาด่าก็เป็นความอยากเหมือนกันถ้าจะเป็นความไม่อยากที่แท้จร <end> ิงต <uncomfortable> yeah, so <ated> ้องเฉยเฉยเขาด่าก็ได้เขาชมก็ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่อยากจริงจริงถ้าไม่อยากให้เขาด่าอย่างนี้ยังเรียกว่าเป็นความอยากอยู่แต่เป็นความอยากในมุมกับนั่นเอง หรือจะพูดว่าอยากไม่ให้เขาด่าก็ได้อย่างนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความโกรธเราก็ต้องอยากไปโลภแล้วถ้าเราไม่อยากโลภไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะเพื่อมาดับความหลงมาแก้ความหลงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะ เวลาเราคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะดูอยากจะฟังอย่างนั้นอย่างนี้เหล่านี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกปะโปทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนากันนี่คือวิธีมีสติให้มีสติอยู่ที่การกระทา ของกายของวาจาและของใจและต้องระงับต้องหยุดมันไม่ใช่รู้เฉยเฉยรู้ว่ากำลังจะทำบาลรู้เช่นกำลังจะรักทรัพย์ก็ต้องหยุดทันทีรู้ว่ากำลังจะพูดปลดพูดปลดก็ต้องหยุดทันทีไม่ใช่รู้แล้วก็ปล่อยให้มันทำไปเออรู้ว่ากำลังจะขโมยก็ขโมยรู้ว่ากำลังจะพูดกลดก็พูดปด อย่างนี้ไม่เรียกว่ามีสติเช่นเดียวกับการดูใจรู้ว่ากำลังโกรธก็ปล่อยมันโกรธไปอย่างนี้ไม่ใช่รู้ว่าอยากจะดื่มเล่า ก, ก็ดื่มไปอย่างนี้ไม่ใช่ต้องรู้แล้วต้องหยุดความอยากให้ได้เวลาใจอยากอะไรหรือโกรธอะไรต้องอยากให้ได้ต้องหยุดมันให้ได้ ถ้าจะปล่อยให้มันทาก็ต้องใช้ปัญญาใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปมาวิเคราะห์ดูว่าจำเป็นไหมถูกต้องไหมเป็นบาหรือไม่อย่างนี้ก่อนถ้าจำเป็นแล้วไม่เป็นบาปก็ทาไดา้เช่นถึงเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารก็ต้องถามดูว่าเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารไหม หรือรับประทานกี่มือกันแม่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระว่าฉันข้าวมือเดียวก็อยู่ได้ถ้าฉันมากแล้วจะขี้เกียจแล้วก็จะเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารนี่คือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปป เมื่อเรารู้ว่าถึงเวลาที่จะรับประทานแล้วเราก็รับประทานเช่นวันนี้ถ้าเราถือสิงห์แปดเราก็รู้ว่าเราจะไม่รับประทานอาหารหลังเที่งวันไปแล้วอย่างนั้นพอหลังจากเท่ยงวันไปแล้วเรายังอยากจะรับประทานอาหารอีกถ้าเรามีสติเราก็ต้องหยุดความอยากนี้อย่าปล่อยให้ความอยากนี้ พาให้เราไปรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่คือการมีสติเป็นอย่างนี้ต้องสติคือการดูกายวาจาใจดูแล้วก็ต้องควบคุมบังคับให้มันอยู่ในทางของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรถ้าเราต้องการที่จะดับทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่สนใจกับเรื่องการดับทุกข์ดีใจเรือยินดีกับการมีความทุกข์ก็ทำอะไรก็ได้อยากจะเดิมสุราก็เดินอยากจะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะด่าใครก็ดา่าอย่างนี้รับรองได้ว่าเดี๋ยวความทุกข์มันจะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือสัมมาสติประการสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิ สมาสมาธิแปลว่าการตั้งมั่นคือการอยู่นิ่งๆของใจใจจะต้องตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาคือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางเวลาใจเป็นกลางนี้ใจจะอยู่ระหว่างความโลภ ก, กับความโกรธอยู่ระหว่างความรักกับความชังอยู่ระหว่างความกลัวกับความไม่กลัว คือใจจะเฉยเฉยเห็นอะไรก็จะไม่รักไม่ชันไม่กลัวไม่กล้าไม่อยากได้ไม่อยากสูญเสียใจจะอยู่เฉยเฉยไม่เดือดร้อนกับการดูกับการได้ยินแต่อย่างใดใครจะนินทาก็ไม่ดีใจใครจะด่าก็ไม่เสียใจไม่เกิดนี่คือสมาธิเป็นอย่างนี้ การตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาและการที่จะทำจิตให้เป็นอุเบกขาเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนั่งสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกให้มีสติคอยควบคุมใจ ให้บริกรรมแต่คำว่าพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะใช้บริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าอยากจะใช้บริกรรมควบไปกับการดูลมหายใจเข้าออกก็ต้องบริกรรมไปแล้วก็ดูลมไปด้วยเช่ น, นหายใจเขา้าก็ว่าพุทรหรือว่าพุทโธหายใจออกก็ว่าโธหรือพุทโธก็ด้าน ต้องทำอย่างนี้ไปหรือถ้าอยากจะใช้คำพุโทโธอย่างเดียวไม่อยากจะดูลมก็ได้ก็ให้มีสติระลึกรู้อยู่กับคำว่าพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้ายังไม่สามารถอยู่กับลมได้หรืออยู่กับพุโทโธได้ใจยังสับสนยังว่าวุ่นขุ่นมัวยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องนั่งพับเพียบไม่ต้องขัดไม่ต้องพนมมือก็ได้ให้นั่งอยู่ในท่าขับสมาธิหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปสวดอรหันาาต์สัมมาสวาสาโตสุปัติุปันโนสวดบทไหนก็ได้ที่เราจาได้สวดไปเรื่อยๆสวดไปให้งานจนกว่าจิตจะรู้สึกเย็นสบายอยากจะหยุดสวด พออยากจะนิ่งก็ลองหยุดสวดดูถ้าหยุดสวดแล้วจิตนิ่งสบายไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังก็ถือว่าเราได้สมาธิแล้วถ้ามันยังอยากออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องใช้พุทโธเข้ามาเบรกมันไว้ดึง ม, มันไวใ้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้ อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออก จนกว่ามันจะเข้าสู่สมาธิแล้วเป็นอุเบกขาขึ้นมาไม่คิดอะไรเลยในขณะนั้น mm hmm. ก็หยุดดูลงได้หยุดบริกรรมพุทธโธได้เวลาจิตสงบนานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้เขาสงบไปพอออกจากความสงบแล้วใจจะเป็นกลาง mm hmm. ใจจะไม่ค่อยรักไม่ค่อยชังถึงแม้ว่ายังมีความรักความชังอยู่ ก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้ถ้ามีความรักความชังออกมาก็ต้องใช้ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปมากําจัดมันต่อไปนี่คือเรื่องของการเจริญมัชเจริญมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ไปสู่มั่งคลนิพพานให้ไปสู่การ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อมรรคที่มีองค์แนี้และขอให้เจริญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆให้ปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติไว้เพียงเท่านี้